สองพันสาก็ได้ทำกุติมุงยาคาพอได้อาศัยไม่ไผเราไม่ยื้แยงหลัง อ, อ น, นั่นเองฮะแต่หลวงพ่อทำไม่ถึงนะ <c oughs> พ่ะอะไรพ่อยาคาเราก็ไปจ้างเขามาไผ่เองเอามาทำยาคาไ้ที่นั่นเยอะเลยแล้วก็ทำยาคาถ้าเราไปซื้อก็ต่ําิบห้าบาทพอเราทำเองต่ำแล้วเจบาทอย่างนี้นะแล้วก็ประหยัดกันเยอะ